คนบางคนมามีตัวตนชัดเจนในชีวิตคุณครู่หนึ่งแต่เมื่อหายตัวไปก็กลายเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้หายไปเลยเหมือนฝันผันผ่านที่ไม่เคยมีจริงอยู่ในโลกต่างจากคนบางคนเมื่อมีตัวตนชัดเจนในชีวิตคุณแม้ว่าหายตัวไปแล้วก็เหมือนยังจับต้องได้ไม่เคยหายไปไหน พ่อแม่ที่คุณเห็นหน้าเห็นหลังแวบไปแวบมาแล้วลาจากเพื่อนที่คุยถูกคอที่พบกันในช่วงเวลาสั้นๆแล้วแยกย้ายหรือใครที่ทำให้คุณฝันแรงแต่ไม่เคยตกลงเป็นคนรักกันเมื่อลาแล้วก็ค่ อ, คอยๆกลายเป็นเตียงความทรงจาที่ปลาเลือนต้องเข้นนึกถึงจะจำได้ว่าเคยมีตัวตนอยู่ในชีวิตคุณแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ ที่อยู่ให้คุณเห็นหน้าตั้งแต่จำความได้เพื่อนรู้ใจที่ลำบากร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานหรือคู่ครองที่อยู่กินกันจนทันเห็นผิวหนังกันและการแห้งเหี่ยวแม้ลาแล้วก็เหมือนยังอยู่บางทีอาจชัดกว่าตอนยังไม่ลาด้วยซ้ํานึกถึงเมื่อใดเหมือนจับต้องได้เมื่อ น, นั้นคนบางคนปรากฏตัวแค่ไม่กี่วัน แต่กลับมีตัวตนที่เข้มข้นให้คุณจำแม่นไปทั้งชีวิตยังไม่สมเหตุสมผลนั่นเป็นเครื่องสะท้อนระดับกรรมสัมพันธ์ที่เข้มข้นมาแต่เก่าก่อนเคยตายจากกันแล้วกลับมาเจอกันแค่ประเดียวประดาวก็รู้สึกผูกพันลึกซึ้งอย่างบอกไม่ถูกได้คนบางคนปรากฏตัวชั่วชีวิตแต่กลับมีตัวตนที่เบาวิว ส่วนคณแทบไม่เคยคิดถึงเลยยังน่าแปลกใจนั่นเป็นเครื่องสะท้อนระดับกรรมสัมพันธ์ที่มีมาอย่างผิวเผินต่อให้ตายจากกันแล้วกลับมาเจอกันอีก น, น, นานๆก็ไม่รู้สึกผูกพันรอวันผ่านหายเหมือนสายลมการพบเจอและการจากลาเป็นเอียงเงื่อนกระตุกให้ร้อยรัดแน่นเข้าแล้วคลายออก ความทรงจำและความลืมเลือนเป็นเพียงกล่นแห่งเกมกรรมที่ไม่อนุญาตให้คุณค้นหาได้เจอว่าผมทางใจเกิดขึ้นอย่างไรทำไมต้องรักทำไมต้องแค้นแตกต่างจากคนอื่นขนาดนั้นความไม่รู้มักนำไปสู่ปฏิกิริยาลูกโซ่แห่งไยเวรไม่รู้จบไม่ค่อยนำไปสู่สายใยแห่งรักแท้ชั่วนิรัน คนเราเมื่อแพ้ความไม่รู้ก็ได้แต่ถามตัวเองอยู่ในหัวว่าทําไมทําไมและทําไมเหมือนเป็นมนสะกดตอกย้ําตัวเองไม่ให้หาคนผิดได้เจอเจอแต่การทําผิดซ้ำซากต่อกันไปเรื่อยถ้าจากกันดีๆเขาหรือเธอจะจําว่าที่หายไปคือสิ่งดีๆวันหนึ่งจะคิดถึงหรืออยากหวนคิด กลับมาหาสิ่งดีๆในชีวิตเป็นธรรมดาไม่ชีวิตนี้ก็ชีวิตหน้าแต่ถ้าสุดท้ายจากกันไม่ดีจบไม่สวยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นข้อผูกมัดตามธรรมชาติคือสายโซ่แห่งภัยเวรแม้ความทรงจำในทางดียังคงอยู่แต่ก็ไม่อาจรู้สึกดีได้จริงเลย ไม่มีใครจำนิยามของความรักได้เพราะผู้คนพากันให้นิยามไว้มากเกินไปและคุณก็อาจถูกใจกับหลายนิยามจนสับสนหลงลืมไม่มีใครจำความรู้สึกรักที่ตายไปแล้วได้เพราะความรู้สึกเก่าๆเป็นสิ่งที่ระลึกยากถ้าหากความรู้สึกใหม่ๆต่างไปเป็นคนละเรื่อง ไม่มีใครจำคำสัญญาอันเกิดขึ้นขณะหลงรักจนตาบอดได้เพราะขณะตาบอดเหมือนเป็นคนละคนกับขณะตาดีคำมั่นสัญญาจึงเลือนได้เหมือนคนเดิมสลายตัวสาบสูญความจำไม่เที่ยงข้ามภพข้ามชาติไม่ได้แต่บทสรุปสุดท้ายระหว่างกันมีความคงทนกว่าและข้ามภพข้ามชาติได้ จะจากเป็นหรือจากตายไม่สำคัญสำคัญที่จากกันด้วยดีให้ได้เป็นพอความทรงจำชุดเดียวกันให้ความรู้สึกต่างกันได้วันหนึ่งรู้สึกดีอีกวันรู้สึกแย่ขึ้นอยู่กับวันนั้นความทรงจำชุดหนึ่งหนึ่งจัดเก็บไว้ในลิ้นชักของความรักหรือความแค้น ความทรงจําที่ถูกรักษาไว้ด้วยความรักเสมือนถ่ายภาพที่ถูกย้อมไว้ด้วยสีชมพูหวานแม้ภาพมีตําหนิเต็มไปด้วยข้อบกพร่องสีชมพูหวานก็ช่วยให้รู้สึกหวานชื่นลิ้นชักความทรงจําถูกเปิดออกมาเมื่อใดใจก็เป็นสุขรู้สึกอารมณ์ดีเมื่อ น, นั้นความทรงจําที่ถูกรักษาไว้ด้วยความแค้น จะเหมือนภาพถ่ายที่ถูกย้อมไปด้วยสีดาขมแม้ภาพไร้ริ้วรอยเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบสีดาขมข ม, ขมก็แสลงความรู้สึกได้ขนาดขมเข้าไส้ลิ้นชักความทรงจำถูกเปิดออกมาเมื่อใดใจก็เป็นปุกรู้สึกอารมณ์เสียเมื่อนั้นชั่วชีวิตคนคนหนึ่งคบใครหลายคนเกิดชุดความทรงจำหลายหลาก เคยสบตาเคยมองหน้าเคยพูดคุยเคยทําท่าทางน่าพิสมัยเคยทํากิริยาหน้ารังเกียจเคยก่อเรื่องผิดใจเคยทําอะไรน่าตื่นเต้นเกินคาดแต่จะเคยอย่งางไรแค่ไหนท่านนาทีนี้หมดรักหมดแค้นภาพความทรงจําทั้งหมดก็ดูจืดชืดไร้ความหมายนึกถึงเท่าไหร่ก็ไม่ให้ความรู้สึกยินดียินร้าย แม้ครั้งหนึ่งอาจรู้สึกเหมือนจะเป็นจะตายให้ได้ความรักและความแค้นไม่เที่ยงกลับไปกลับมาได้ไม่มีใครบอกตัวเองกูว่าวันไหนจะนึกรักวันไหนจะนึกแค้นชุดความทรงจำทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเคยเกิดเรื่องอย่างหนึ่งจาเอียนเป็นอีกอย่างหนึ่งได้เคยเกิดประสบการณ์ร่วมกัน คนหนึ่งจำได้แม่นแต่อีกคนกลับลืมสนิทหรือปีหนึ่งนึกว่าคงฝังใจชั่วชีวิตเทว่าอีกหลายปีต่อมากลับเลือนลางราวความฝันคู่รักใดจะคนเอาความรักความแค้นและความทรงจำติดตัวไปได้เล่าแต่ละคู่ก็เพียงหา อ, อเอาเพียงกรรมดีและกรรมร้ายที่ทำไว้ต่อกัน ไปสร้างทางร่วมกันใหม่เยี่งสัตว์โลกผู้ไม่รู้เพราะหลงลืมกันทั้งนั้นคนคนหนึ่งดูมีชีวิตชีวาที่สุดตอนตกหลุมรักแห้งแล้งห่อเหี่ยวที่สุดตอนลูกหักอกเบิกบานเป็นอิสระที่สุดตอนยอมรับความจริงได้